สมถะคือสงบพร้อมรู้วิปัสนาคือตื่นรู้ความจริงนิยามของสมถะและวิปัสนามักเป็นที่กังขาว่าตัดศินกันตรงไหนนั่นเพราะถ้อยคําไม่อาจพาไปสู่ประสบการณ์อันเป็นรสชาติของจิตณภาวะนั้นๆได้สมถะคือสงบพร้อมรู้ คำว่าสงบทำให้แต่ละคนนึกถึงประสบการณ์ทำนองเดียวกันคือไม่ฟุ้งซ่านความคิดในหัวสงัดเงียบลงอาจเพราะอยู่ในสถานที่ที่สงัดเงียบพอหรือเปิดตาเปิดใจให้ลงสบายง่ายๆเลยคําว่าพร้อมรู้ทำให้แต่ละคนนึกถึงประสบการณ์ทำใจได้ยอมรับความจริงได้ไม่เข้าข้างตัวเอง ในขณะที่ลงตกไม่ดินรนขัดคืนฟฝืนความจริงที่เกิดขึ้นอีกต่อไปวิปัสสนาคือตื่นรู้ความจริงแต่คำว่าตื่นรู้ความจริงเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่แตกต่างจากประสบการณ์ทางจิต ท, ทุกอย่างมีความว่างมีความเป็นกลางมีความรู้แจ้ง ไม่มีทางเกิดขึ้นเองด้วยความบังเอิญไม่ว่าชาติไหนพบใดซึ่งถ้าไม่เจอผู้ชี้ทางอย่างพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาเพื่อเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าจิตของมนุษย์สัตว์และเทวดาอินพรหมจะถูกม่านหมอกโมหะปิดบังไว้ไม่ให้มีอาการตื่นไม่ให้มีอาการรู้ความจริงที่ว่ากายนี้เป็นเป้าล่อให้หลงยึดใจนี้ เป็นฐานที่มั่นให้เกิดอุปาทานไปว่านี่คือตัวฉันฉันคือกายนี้ฉันคือใจนี้การตื่นรู้ความจริงไม่ใช่ภาวะบังเอิญเกิดขึ้นไม่ใช่ของง่ายที่จะอธิบายว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมฝึกไม่ใช่เรื่องสะดวกใจที่จะสละเครื่องขวางไม่ใช่ทุกชาติที่จะได้พบผู้บอกทาง เงื่อนไขต่างๆรวมกันจึงกลายเป็นความยากเย็ยนยิ่งที่จะไปให้ถึงช่องแคบอันเป็นทางรอดจากกองทุกพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเพียงเป็นผู้ชี้ให้ดูดูอะไรเป็นอันดับแรกดูว่ากายนี้ไม่เที่ยงดูว่าหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกดูว่าหายใจยาว ก็ต้องหายใจสั้นดูจนกว่าใจจะสงบลงเห็นลมหายใจทุกชนิดด้วยใจสงัดเงียบเป็นหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าสงบพร้อมรู้ดูอะไรต่อไปดูว่าไม่ใจแค่ลมหายใจที่ไม่เที่ยงท่อนกายอันมีอันต้องพับไปพับมาหมุนไปหมุนมานี้ก็ไม่เที่ยงเช่นกันเดี๋ยวหันไปเจอทุก เดี๋ยวหันไปเจอสุขความทุกข์ความสุขจึงไม่เที่ยงไปด้วยภาวะทางใจเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไปด้วยไม่มีอะไรในภาวะทางกายใจที่เป็นตัวเดิมสักอย่างพอเห็นความไม่ใช่ตัวเดิมไปเรื่อยในที่สุดจิตก็ถึงจุดเกิดภาวะตื่นรู้ความจริงขึ้นมาจนได้ถึงตรงนั้นก็ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วว่า ความเป็นวิปัสสนาคืออย่างไร